เอปนมมือรับโอวาท น, นี้พวกเราท่านทั้งหลายได้เป็นทิศภาษาทางอีสานเขาเรียกว่าทิศถ้าบวชนานเ้าเรียกว่าอาจารย์นักปรารถอาจารย์ถ้าบวชนานาก็ว่าแต่ทางภาษาี่เขาเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เหมือนขจา์ใส่ข้าวอย่างงั้นอ่ะแต่ตามจริงความหมายก็คือนักปรารถอาจารย์ แต่ว่าเป็นทิฏคือบวชชั่วคราวก็เราว่าบัณฑิตนักปราชญ์ชนหนึ่งอีกเหมือนกันเนเป็นบัณฑิตคือได้บวชเข้ามาแล้วเป็นคนสุขได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อบรมทางด้านจิตใจอันนี้เรียกว่าทิฏบวชชั่วคราวเสียงแปล ว, ว่าเป็นสัมมเดิน บวชเข้ามาแล้วยังไม่ครบพระบวชเข้ามาลาสิกขาไปเ็าเรียกว่าเสียงเพราะนั้นทางเราจะได้ยินใบบวชเสียงนั่นเสียงนี่บวเสียงแหวบบชเสียงเมี่ยงบเสี่ยงอะไรที่เป็นนิทานอันเรียกว่าบวชยังไม่ครบพระแล้วก็ลาสิกขาออกไปทางอีสานนี่เขาเรียกว่าเสียงยังเป็นเลนอยู่ถ้าบวชเมื่อ20 พรรษาหรือว่ายี่สิบเมื่ออายุยี่สิบกว่าปีขึ้นไปแล้วบวชเข้าไปแต่บวชไม่นานปีสองปีหรือปีเดียวหรือบวชอันนี้เรียกว่าเท็ดถ้าบวชถึงสามปีขึ้นไปเขามีน้ำสงมีการลดน้ำให้เกียรติแค่ว่าในชุมชนเขายอมรับว่าบวชเข้ามาแล้วนานเป็นหลักของชุมชนได้ พานำไหวพระสวดมนต์พาดูศักษาจนะพิธีอันนี้เขาเรียกว่านักปราชญอาจารย์อว่าอาจารย์เป็นผู้นำเป็นแบบฉบับของชุมชนอาจารย์คำนี้เมื่อลาศิกขาไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำไหวพระสวดมนต์แล้วก็ทำพิธีกรรมทางโลกสูงขัญเรียกขัญ หมยสีสูขันอะไรห ล, ลายอย่างจานเนี่ยแปลว่าเป็นผู้นำของชุมชนได้ส่วนส่วนทิศเนี่ยความรู้ไม่มากเพียงแต่ว่าได้อบรมรักษาตัวรอดได้แล้วก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยบวชแต่คนไม่เคยบวชนั้นก็คล้ายๆกับว่าพูดอะไรเนี่ย ไม่มีเหตุมีผลเอาข้างเข้าถูเอาชนะไปเรื่อยๆเป็นเทศนี่เมื่อในการได้รับการอบรมแล้วศีลธรรมคืออะไรเจริญธรรมคืออะไรในหลักของพุทธศาสนาอันนี้ก็ได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นอันนี้ว่าเท็ดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายก่อนที่จะมาบวชคราวนี้พวกเราก็ได้เป็นชมลมพุทธหลวงพ่อเองก็มั่นใจ พวกเราได้รับการอบรมมาดีแล้วเพราะว่าเราคงจะมีอุปนิสัยมีบุญวาสนาบารมีเก่าแก่จึงได้เข้ามาในชมรมพุทธจากนั้นก็ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะไมออ่ลึกซึ้งมากแต่เราก็ในใจของเราก็เชื่อมั่นและเชื่อถือในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นหลักธรรมที่สอนคนให้เป็นคนดี ไม่สอนคนให้เป็นคนเร็วการสอนคนให้เป็นคิดดีทดําดีพูดดีในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็พร้อมกันก็ให้ใช้ปัญญาในการเป็นอยู่การเป็นอยู่ทุกรอบรอบด้านต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญาต้องเป็นอยู่ด้วยความรอบครอบต้องเป็นอยู่ด้วยศีลและธรรมและจริะยะธรรมที่ดีให้รู้จัก อ, อสิ่ง แวดล้อมอย่างที่กหลวงพ่อได้พูดให้แก่ลูกหลานได้ฟังวันทิศทั้งหกนั่นคืออะไรเนี่ยหลักๆของพุทธศาสนาให้อยู่ในทิศทั้งหกแต่พวกเราได้ยินแต่ทิศทั้งสี่กับทิศทั้งแปดทิศทั้งสี่ก็คือทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศทั้งแปดก็คืออุราบุรุษาอาคเนศทักษิณพายับอันนี้ก็คือทิศทั้งแปดแต่ทิศทั้งหก ในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนทิศทั้งหกทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาท่านสอนทิศทั้งหกให้อยู่ให้อยู่ในกรอบของทิศทั้งหกถ้าพวกเราอยู่ในกรอบของทิศทั้งหกแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกเพราะเหตุใดเพราะเราวางตัวต่อทิศทั้งหกเหมือนกับเราอยู่ในหงสุ้ยที่ดีถ้าเป็นภาษาจีนนะ ออยู่หงสุยที่ดีอยู่ในหงสุยที่อยู่ในกรอบทางหน้าก็มีสระน้ำมีหนองน้ำทางหลังก็เพียงผหน้าผาลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าเป็นคนจีนแต่ละของพุทธศาสนาท่านสอนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อวันนั้นแหละให้แก่พวกคณะอาเภอนายูงเข้ามา ครวมุดนามดำหัววันที่สิบที่ผ่านมาในวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่สิบสามลูกพ่อบอกวา่าทิศเบื้องหน้ามารดาปิดาบุตรทิดาควรจะทําตนอย่างไรกับทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าคือมารดาปิดาเพื่อเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศ์สกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้า ททเทศเบื้องหลังสามีภรรยาอย่าไปใช้อำนาจวาสนาอย่าไปใช้อำนาจขู่เข็นบังคับถ้าเราเป็นภรรยาก็แห่งเคารพสามีในสถานะสามีเมื่อเราเป็นสามีก็เคารพในภรรยาในสถานะภรรยาเข้ารบสิทธิ์ซึ่งกันละกันให้รู้จักสิทธิ์ของกันและกันการอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าก้าวกายกันใช้อำนาจหรือว่าใช้ความไม่ ชอบมาพาคนออกนอกลู่นอกทางว่าตัวเองมีอํานาจนั่นแหะครอบครัวนั้นจะละสํารสายหาความสงบสุขไม่ได้เพราะปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เมื่อเรามีทุกคนนักศึกษาแพทย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนที่เป็นอาจารย์อาจารย์แพทย์สอนพวกเราเมื่ออาจารย์เข้ามาในกลุ่มของเราเราทํำยังไงทําท่ามองไม่เห็นอาจารย์อย่างนั้นใช่ไหม ก็ไม่น่าจะถูกถ้าทําอย่างนั้นก็ไม่ให้เกียรติอาจารย์ไม่ไม่เคารพอาจารย์เมื่ออาจารย์เข้ามาพวกเราก็ลุกขึ้นยืนรับใช่ให้เขาว่าลุกขึ้นยืนรับจากนั้นเขาค่อยเข้าไปค่อยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากอาจารย์ต้องการอะไรต้องการน้ำต้องการที่นั่งอะไรออุปถากแล้วก็แสดงความเคารพแล้วก็เข้าไปเพื่อการศึกษาที่เรายังไม่รู้จุดไหนเราก็ต้องถามครูบาอาจารย์ ปฏิบัติปฏิบัติให้ถูกเือไม่เห็นคูบาอาจารย์เข้ามาในกลุ่มของเราอันนี้แปลว่าทิศเบื้องขวาคูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายพวกเราต้องมีหมู่มีเพื่อนอย่างพวกเราบวช ด, ด้วยกันทั้งเก้าคนเนี่ยเอ อ, เ อ, อพวกเราเคยบวช ด, ด้วยกันทั้งเก้าคนมีอะไรประวารณาต่อกัรนะท้งเราทั้งเก้าคนนะเราได้บวชในพุทธศาสนาด้วยกันมีอะไรปรึกษาปรารกันมีอะไร เรื่องอะไรที่จะต้องแก้ไขมีใครทุกอกทุกใจเรื่องอะไรขาดเหลือตัวเรื่องปัจจัยสี่มีความขัดข้องเรื่องอะไรเอาช่วยกันอันนี้ก็คือมิตรเบื้องซ้ายถ้าพวกเรามีมิตรมีสหายมากมายหลายคนมีแต่กัญยาณมิตรมิตรที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่หักหลังกันไม่ใช่ว่ามีผลประโยชน์ก็เข้าไปหาถ้าหมดผลประโยชน์แล้วก็ตีนถีบส่งหมูพวกเพื่อนอันนั้นแปลว่า บาปมิตรไม่ควรจะครบแต่กัญยาณมิตรมิตรที่ดีเวลาทุกก็ทุกด้วยเวลาสุกก็สุกด้วย เ, เวลาคนที่ติสินินทาเพื่อนก็ช่วยบอกกล่าวแนะนำเขาอย่าไปติสินนินทา เ, เพราะว่ามันคนก็ต้องมีผิดมีถูกเราก็ต้องปกป้องมิตรของเราเพื่อนของเราสหายของเราอันนี้คือมิตรที่ดี แล้วก็เมื่อหมูเพื่อนของเรามิรของเราบางครั้งบางคราวก็เพียงพ้มด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะบังโดยความประมาทเราก็เข้าไปประคองให้ไปประคองให้ลุกยืนขึ้นสู้หรือว่าลุกยืนขึ้นเพื่อได้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องคล้ายๆกับไม่เหยียบไม่ย่ำในขณะที่หมูพวกเพื่อนล้มเซถลาล้ม เราก็ต้องเข้าไปประคองอันนี้เรียกว่ากัญญาณามิตรที่ดีต่างคนก็ต่างพึ่งพาอาศัยกันอันนี้เราจะอยู่นสถานที่ใดวพวกเราก็มีหมูมีเพื่อนล้อมรอบมีอะไรก็ปรึกษาปรารบหมูพวกเพื่อนคนที่มีกัญยาณมิตรมีหมูพวกเพื่อนมากไปนสถานที่ใดมีแต่ความผาสุกมีแต่ความเจริญออไปที่ไหนก็พึ่งพาอาศัยได้จะไปเหนือไปใต้ ไปต่างประเทศมีหมูพวกเพื่อนเต็มไปหมดไปนักสถานที่ใดก็มีแต่ให้ความเคารพนับถือยื่นมือเข้ามาช่วยเราก็ไม่เอารัดเอาเปรียบหมูพวกเพื่อนหมูพวกเพื่อนก็ไม่เอารัดเอาเปรียบเราต่างคนก็ต่างรู้จักสถานะของเราของเพื่อนถ้าเพื่อนจนเรารวยกว่าเราก็ต้องสงเคราะห์ไปแล้วก็ต้องเลี้ยงหมู่เลี้ยงเพื่อนเมือกไปหาเขาไม่ใช่ไป ทำให้เขาหนักอกหนักใจอันนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรมิตรที่ดีคือทิศเบื้องซ้ายมิตรเสหายทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์สมณะพราหม์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเามาบวชวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจัดว่าเป็นสมณะพราหม์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนอันนั้นผิดนะลูกหลานอันนั้นถูกนะอันนั้นนรกสวรรค์ตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถึงแที่เกิดคืออะไร อย่าทำความชั่วนะความชั่วเมื่อทำไปแล้วพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อทำกรรมไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีไปโป้นไปท่าไปคดไปขโมองโมยว่าตัวเองเฉลียวฉลาดอไปขายยาเข้ายูโดยูเดยอย่างที่ว่านยเป็นผอผลที่สุดเป็นยังไงเดือดร้อนไปหมดเมื่อเขาจับได้ไล่ทันแล้วเป็นยังไงเอเสียหายขายหน้าไปหมดทั่วโลกดินแดนเพราะอะไร พอตัวเองทำไม่ดีเพราะนั้นกรรมชั่วจะทำเฉลยดีกว่านะลูกหลานนะอันนี้คือเ อ, อทิศเบื้องสูงทิศเบื้องบนคือส ม, มณะพรามอย่างลูกพ่อจะแนะนำสั่งสอนพวกลูกหลานให้เป็นคนดีให้มีศีลธรรมมีจ ร, ริยธรรมที่ดีสิ่งไหนที่ดีให้คิดสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นอันนี้คือส ม, มณะพรามแต่ทิศเบื้องต่ำเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องมีลูกน้องบริวาร ลูกน้องบริวารเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องคนขับรถทํำยังไงคนดูแลบ้านเป็นยังไงลูกน้องบริวารของเราเราแบ่งอาหารและรางวัลให้ก็บกับเขาถ้าเขาได้รับความอบอุ่นได้รับความเ่ยที่ดีได้รับการแนะนําสั่งสอนที่ดีเขาก็เป็นคนดีเราก็สะดวกสบายเพราะอะไรเพราะเราวางวางถูกต้องต่อทิศทั้งหกแต่ถ้าากว่าเราทําตนไม่ดี อยู่ในตอนทิศทั้งหกแล้วพวกเราอย่าหวังเลยชีวิตทั้งชีวิตเออมันจะอิลงตุงนังไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีฮะฮงซุยไม่ดีฮะพูดอย่างนั้นภาษาจีนเขาวางงแต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาว่ากรรมดีเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งเก้าให้เป็นหมอที่ดีอย่างที่หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อออกไปแล้วให้เข้มแข็งคำว่าออนแอเ์ละและนะ่ะยาได้มี เ, เห็นไหมหลวงพ่อแจกหนังสือสู้ไม่ถอยให้แก่พวกเราเมื่อวานหนังสือลงตาเอาไปอ่านเอาไปศึกษาเอออย่าไปสู้แบบปะละเลนแหละเราเกิดมาทั้งทีชีวิตสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมจริยธรรมอยู่ที่ไหนกูบาจะแนะนาสั่งสอนอย่างไรมอบ ปูบาอาจารย์มอบความไว้วางใจให้รักษาคนป่วยหรืออยู่เวรยามอย่าไปทะเลถไายให้ทั้ง อ, อกตั้งใจทํางานด้วยความตั้งใจที่ได้รับความมอบหมายมาในเมื่อเราเป็นคนดีเป็นหมอที่ดีรับผิดชอบแต่น้อยแต่หนุ่มใหญ่ขึ้นมาก็เป็นหมอที่ดีในเมื่อเป็นหมอที่ดีคนเข้ามาเกี่ยวข้องก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าอันนั้นแหะคือเป็น บุภการีบุคคลผู้มีอุปการะกับเราทําไมยังม่มีผู้อุปการะกับเราเราเรียนหนังสือตึกหลังนี้ใครเป็นคนสร้างพ่อแม่สร้างให้ใช่ไหมไม่ใช่เงินภาษีพี่น้องประชาชนเป็นคนออกทุนมาสร้างแล้วเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายราคาแพงๆตัวหนึ่งมันรลคา ก, กี่ล้านที่เราได้ศึกษาได้เรียนจนจบหมอมาเป็นเงินของใคร เงินภาษีพี่น้องประชาชนซื้อว่าเงินของหลวงครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนที่เป็นอาจารย์ของพวกเราได้รับเงินเดือนจากใครเราเป็นคนจ้างมาคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เป็นของใครเป็นของรัฐบาลเงินภาษีพี่น้องประชาชนเสียงเหล่านี้พวกเราต้องลําลึกถึงพี่น้องประชาชนเป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเป็นหมอขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะให้ความอบอุ่น เมื่อพี่น้องประชาชนเข้ามาประสานและมาติดต่อมีความทุกข์ยากลาบากเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นทางด้านจิตใจและเป็นทางด้านทางร่างกายเราเป็นหมอเราก็ต้องให้ความอบอุ่นแนะนำสัง่งแนะนาเขาในทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของพวกเราอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันสาราลังนี้ได้มาจากใครได้มาจากศรัทธาพี่น้องประชาชนเข้ามาถวายหลวงพ่อก็ยังรับลึกถึง เวลาขึ้นมากราบมาไหว้ขึ้นมาบนสาราทธไหลอย่ำพ่อก็บําลึกถึงเออเวลากราบพระด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาได้พัฒนาพระพุทธศาสนาคนละมากคนละน้อยบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลก็ขอให้เป็นปัจจัยเครื่องเกื้อกูลหนุนพวกท่านทัน้งหลายมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีสุขจริงๆขึ้นไปทุกทุกท่านด้วยเทินอันนี้ก็คือ หลวงพ่อจะต้องได้คิดในใจไว้อยู่เสมอเพราะว่าพี่น้องไปชายชนทุกหมูลเหล่าได้มาทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาที่เป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นวัดปราศาสนาก็ศรัทธาญาติโยมของพี่น้องหลวงพ่อก็ล้ำลึกถึงมีอะไรหลวงพ่อจะต้องมีน้ําใจผู้คนที่มาเกี่ยวข้องกับอย่างพวกลูกหลานได้เห็นเขามาจากทางไกลก็ต้องได้พูดได้คุยได้สนทนาอแนะนําสั่งสอนเขา ไม่ใช่สนทนาธรรมดาเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจของเขาด้วยแล้วก็พร้อมกันกระแจก MP3 แจกหนังสือให้เป็นแนวความคิดของเขาด้วยเพื่อให้เป็นกําลังใจเพื่อให้เขาได้ศึกษาถ้าคนมีธรรมในจิตในใจแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นถ้าคนขาดจ ร, ร, ริยธรรมขาดจริยธรรมคนเห็นแก่ตัวอยู่ในชุมชนใดชุมชนนั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย เห็นของคนอื่นของเขามีแต่อยากอยากโลภอยากจะได้ของเขามาเป็นของตัวเองอยู่ตลอดประเทศชาติบ้านเมืองจะยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนไปทุกหัวละแหง่งเพราะเหตุใดเพราะอยู่ในชุมชน เ, มเต็มๆไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหลงว่าตัวเองจะไม่ตายถ้าคนถ้าหลงว่าตัวเองจะไม่ตายแล้วมันจะโลภทั้งหมดในแผ่นดินแต่คิดว่าตัวเองจะตายอีกสักวันหนึ่งจะไปโลภไปทาไม ขนาะดร่างกายของเราก็แท้แท้ก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้เราจะต้องทิ้งไว้ในแผ่นดินเราจะไปโลกอะไรถ้าเราได้คิดได้อย่างนั้นนะนความพอดีก็จะเกิดขึ้นเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราประการขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายเขามาบวชเป็นเวลาสามอาทิตย์กว่าๆนี่สามอาทิตย์ก็ไม่รู้หลวงพ่อไม่ได้นับดูในละเอียดแต่ทิ้งยังไงพวกเราก็ได้บวชการบวชมาใน วัดวาศาสานาก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นบางทีก็เป็นจริงที่พึงปราถนาบ้างไม่ึรงไม่พึงปราถนาบ้างอันนี้ก็คือธรรมดาทุกคนพระเนนอยู่ในวัดจัดจมอยู่ในวัดสิ่งแวดล้อมอยู่ในวัดจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าคิดได้จริงๆก็ไม่ควรจะมียุงไม่ควรจะมีมะแมลงไม่ควรจะมีอะไรมีมากลายหลายอย่างแต่มันก็มี จะทำยังไงได้เพราะเราเกิดอยู่ในโลกอันนี้มันต้องมีอันนี้ก็เหมือนกันทั้งพระทั้งเลนทั้งคู่ทั้งคนทั้งจึงเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของเราก็ามีอยู่ในจิตใจแต่ถึงยังไงเราต้องพยายามวางตัวอย่างไงจึงจะถูกต้องวางตัวอย่างไรจึงจะไม่ทําใหค้คนอื่นเดือดร้อนเราจะวางตัวอย่างไงจึงจะเหมาะสมกับสถานะนั้นนั้ในเรื่องนั้นนั้นตอทิทั้งสี่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นแหละ ถ้าพวกเรารู้จักสถานะวางตัวแล้วพวกเราไปอยู่ที่ไหนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็อุ่น อ, อกอุ่นใจไปอยู่กับวงศาคนาญาติบวงศาคนาญาติก็ไปเนื้อเชื่อใจถึงจะไปอยู่ต่างประเทศในช่วงที่เราจะต้องศึกษาในต่างประเทศเราก็ไปศึกษาด้วยความมั่นใจด้วยความตั้งใจไม่ใช่ว่าอยู่ไปอยู่มาบวชก็คิดถึงบ้านพอมาถึงบ้านพอมาอยู่วัดก็คิดถึงบ้านพออยู่บ้านก็คิดถึงวัด เป็นจิตใจที่รวนเละใช้ไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะนั้นเราต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เข้มแข็งนั่นหน้าที่อะไรต้องทำให้ดีที่สดุดในขณะที่มอบหมายให้ทำเห็นไหมหลวงพ่อหรือบ้านนู่นมุกดาหารอยู่ที่ไหนถุงพ่อไปทุกหัวและแหง่งไปถึงเชียงใหม่ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็เคยอุราไม่ใช่บ้านพ่อบ้าน หยาติโกขอวติกาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็มาอยู่ได้ไปอยู่ในชุมชนแถวนี้ไม่รู้จักใครหลวงพ่อก็มาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะหลวงพอว่ออ่ะหลวงพ่อเป็นทําตัวเป็นคนดีคิดดีพูดดีทําดีพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องมีอะไรที่จะให้เราช่วยเราก็ยินดีแนะนําสั่งสอนจากนั้นกับวัตถุภายนอกเราก็ส่งข้อไปให้ไปถ้ามันเกิดมาขึ้นมันลงลําโรงเรียนสิ่งของอะไรเครื่องไม้เครื่องไ ม, เงม้เครื่องมือแพทย์ ชุมชนเขามีอะไรที่จะเขาขานเนื้อขาตกให้ไปเมื่อเขาล้มหายตายจากไปอา้าวสงเคราะห์ไปแต่งานศพของเขามีอะไรให้ไปขขาสารอาหารแห้งไปช่วยกันเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในชุมชนของเขาไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนี้ก็เหมือนกัน่ะพวกเราลูกหลานทั้งหลายต่อไปจะเป็นทรัพยากรของชาติจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง ขอให้พวกลูกหลานสำนึกไว้ในใจเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นผู้มีมน้ำใจเราจะเป็นผู้มีเมตตาชีวิตของเราเราจะไม่ยืนถึงร้อยปีพันปีอีกสักวันหนึ่งชีวิตของเราจะมีจุดจบในก่อนที่เราจะถึงจุดจบนั้นเราจะฝากความดีคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินเราจะฝากคุณงามความดีไว้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงทุกคน ต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอ